สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเปรซูตอนที่สามร้อยหกสิบเจ็ดเรื่องผู้เลี้ยงที่ดีพระจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอนบทที่สิบพระธรรมยอนบทที่สิบข้อที่สิบจนถึงข้อที่สิบแปดโปรดฟังพระจนะของพระเจ้าขโมยนั้น่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทาลายเสีย เราได้มาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะผู้ที่รับจ้างมิได้เป็นผู้เลี้ยงแกะและฝูงแกะไม่เป็นของเขาเมื่อเห็นสุนักป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไปชุนักป่าก็ชิงเอาแกะไปเสียและทําให้ฝูงแกะ ก ร, กระจายไปเขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่ห่วงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราดังที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและชีวิตของเราเราสละเพื่อแกะแกะอื่นซึ่งไม่ได้เป็นของคอ้อนี้เราก็มีอยู่แก่เหล่านั้น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 เรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตนั้นและมีสิทธิ์ที่จะรับคืนอีกคากรรมชับนี้เราได้รับมาจากพระบิดาของเราพี่น้องครับอีกครั้งหนึ่งครับที่พระเยซูได้ทรงสอนเรื่องที่ว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่คําอุปมาเรื่องผู้เลี้ยงแกะที่ดี หลังจากที่เปเยซูสอนเปเยซูทรงใช้คําว่าแกะเปรียบเทียบกับประชาชนเปรียบเทียบกับลูกแกะของพระองค์เปรียบเทียบกับพวกเราทั้งหลายในข้อที่ยี่สิบแปดนะครับพระเยซูทรงแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์และพระราชกิจของพระองค์นั้นผู้ที่ไม่เชื่อนั้นก็ไม่ใช่แกะของพระองค์พระองค์ทรงบรรยาย แกะของปรุงในข้อ27ดังนี้ครับพี่น้องโปรดฟังให้ดีนะครับแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราสองเรารู้จักแกะของเราและสามแกะของเราจะตามเราพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับโครงทรงบรรยายคนิสัยและ การดูแลของพระองค์ที่มีต่อแกะดังนี้หนึ่งแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราสองเรารู้จักแกะของเราและสามแกะของเราจะตามเราพี่น้องครับแกะของพระเยซูนั้นย่อมฟังเสียงของพระเยซูนั้นหมายความว่าแกะของพระเยซูเรานั้นต้องเชื่อฟัง ฟังการเรียกฟังคําสั่งฟังการชี้นําชี้แนะฟังการทรงนําของพระเยซูผู้เลี้ยงแกะที่ดีประการที่สองคือเรารู้จักแกะของเรานั่นหมายความว่าแกะของเราก็รู้จักเราแสดงว่าใครก็ตามที่เป็นลูกแกะของพระเยซูนั้นย่อมรู้จักผู้เลี้ยงครับนั่นหมายความว่า เมื่อเขาเชื่อฟ De ังนะครับเขาก็จะรู้จักพระเยซูมากยิ่งขึ้นรู้จักมากยิ่งขึ้นเขาก็จะเชื่อฟังมากยิ่งขึ้นเมื่อเรารู้ว่าพระเยซูเป็นใครเมื่อยิ่งรู้เราก็ยิ่งอยากจะเชื่อฟังเมื่อยิ่งรู้เราก็ยิ่งพร้อมที่จะเชื่อฟังเมื่อยิ่งรู้เราก็ยินดีเต็มใจที่จะเชื่อฟังอย่างไม่ ขัดข้องอย่างไม่อิดฉออดประการที่สามครับแกะของเราจะตามเราเน่นหมายความว่าแกะของพระเยซูนั้นไม่เพียงแต่เขาจะฟังเสียงเชื่อฟังพระองค์ไม่เพียงแต่เขาจะรู้จักพระเยซูมากยิ่งขึ้นแต่เขาจะรับใช้เขาจะไปที่พระเยซูต้องการให้ไปเขาจะฟังเสียงเรียกของพระองค์ให้ไป ในที่ที่เขาควรจะไปพีป่น้งครับเราจะมาดูต่อไปในข้อที่28เปเยซูทรงบรรยายถึงสิ่งที่พรงจะให้แก่แกะประการแรกครับเราจะให้ชีวิตนิรันต์แก่แกะนั้นประการที่สองแกะนั้นจะไม่พินาศเลยประการที่สามจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้ พี่น้องครับนี่คือแผนการช่วยให้รอดของพระเยซูการปกป้องคุ้มครองพิทักรักษาของพระองค์อย่างชนิดที่ว่านิรันดรครับภาษาอังกฤษใช้คาว่า so นะครับโ o o คู so so cool ่หมายความว่าดีอะไรเช่นนี้นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาตรงนี้เขาเรียกว่า Security ครับ security หมายถึงหมายถึงความมั่นคงปลอดภัยนะครับ security ที่เป็นนิรันดร น, นะครับภาษาอังกฤษใช้ควาว่า eternal security eternal security นั่นหมายความว่าใครก็ตามที่เป็นลูกแกะของพระเยซูนั้นเขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์เหมือนกับในพระธรรมยอห์บทที่สามก็สิบหกครับเขาจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ นั่นคือประกันแรกประกันที่สองครับ security ตรงนี้รับประกันจากพระเยซูครับแกะนั้นจะไม่พินาศเลยเพรางครับใครก็ตามที่เป็นลูกแกะของพระเยซูนะครับเขาบังเกิดใหม่เขาได้รับชีวิตใหม่แน่นอนครับไม่มีใครที่จะทําให้เขาตายได้หมายความว่าชีวิตใหม่เขาเนี่ยครับจะไม่สามารถสูญเสียได้นั่นหมายความว่าความรอด นะครับที่ใครก็ตามได้รับจะไม่มีวันสูญเสียได้ครับและประการสุดท้ายก็คือจะไม่มีใครที่แย่งชิงลูกแกะไปจากมือของโปรงได้นั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงสิทธิอำนาจสูงสุดนะครับฤทธานุภาพสูงสุดได้มอบไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูแล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นของพระเยซูนะครับ เขาจะตกเป็นของคนอื่นไม่ได้จะไม่มีใครแย่งชิงแกะไปจากมือของพระองค์ได้พี่น้องครับแผนการช่วยรอดนี้พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ตั้งแต่เริ่มตน้นเริ่มแรกใครก็ตามที่ได้ยินพระเยซูเชื่อและทําตามไว้วางใจพระองค์ติดตามพระองค์เขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์ครับและทํายืนยัน ดิคิอเตี้นี้ทำยืนยันความปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตนี้นะครับชัดเจนครับไม่มีใครที่จะขโมยแกะไปจากพระหัตถ์ของพระเยซูดได้พี่น้องครับประเด็นต่อไปที่ผมจะพูดสั้นๆก็คือว่าใครเป็นขโมยใครเป็นโจรใครเป็นผู้รับใช้ ใครเป็นขโมยใครเป็นโจรใครเป็นผู้รับใช้ทีนครับที่นี่ได้บอกนะครับมีคุณสมบัติสามประการของขโมยโจรผู้รับใช้นะครับผู้รับจ้างนะครับหนึ่งแกะจะไม่ฟังเขาครับจะไม่มีใครที่ติดตามเขาได้ตลอดติดตามก็ได้แต่เบื้องต้นเบื้องแรกนะครับแกะจะไม่ฟังในที่ชุด ประการที่สองครับตัวเขาเองเนี่ยนะครับผู้รับจ้างเนี่ยจะหนีครับทำไมต้องหนีครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเขารู้ว่าเขานั้นทำผิดพลาดในขณะเดียวกันเมื่อมีภัยมาถึงเขาเขาก็ต้องหลบหลีกหลบลี้หนีไปในขณะเดียวกันหากว่ามีภัยมาถึงแก่เขาก็ไม่ยอมที่จะ อยู่ต่อครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้เลี้ยงแกะที่แท้จริงและประการที่สามครับพระเยซูชัดเจนครับผู้เลี้ยงนั้นจะต้องสละชีวิตเพื่อฝุงแกะจะต้องอดทนจะต้องเหน็ดเหนื่อยจะต้องเหนื่อยยากนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกแกะนี่คือพระเยซูครับ แต่ในทางกลับกันพวกขโมยพวกโจรพวกคนรับจ้างนะครับเขาทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของลูกแก่ขอพรเจ้าช่วยเรานะครับในขณะที่เราเป็นพี่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงเราควรจะต้องมีคุณสมบัติของผู้เลี้ยงที่ดีเรียนแบบพระเยซูอาเมน